พระภิกษุผู้เป็นเทระเป็นมัชิมะเป็นนวักะภิกษุณีก็เช่นเดียวกันมีเทรีมัชิมานวักะในฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าตรัดแยกเป็นสองประเภทคือเป็นอุบาสกและอุบาสิกาประเภทพรหมจารีถือพรหมจันทร์กับอุบาสิกาที่ไม่ได้ถือพรหมจันทร์ เรียกว่าเป็นกามโภกีหรือเป็นผู้อยู่ครองเรือนพุทธพจนี้แสดงว่าอุบาสิกาประเภทที่เป็นพรหมจารีมีมาแต่พุทธกาลแล้วถ้าว่าไปแล้วแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาประเภทนี้คือประเภทที่ท่านเรียกว่าโอทาตวัสนาพรหมจารีแปลว่าเป็นผู้นุ่งห่มขาวถือพรหมจรรย์ซึ่ง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 ต่อไปเธอรับสิ่งใหม่มาก็คงไม่ได้เรื่องอีกนั่นแหละแม่ชีมีอยู่แล้วก็แก้ไขปรับปรุงจะทำให้ดีให้แน่นอนเสียก่อนส่วนเรื่องใหม่จะได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเข้ามาขอให้ช่วยเอาใจใส่เรื่องแม่ชีด้วยเราชาวพุทธช่วยกันทำไมไม่เอาใจใส่ถ้าแม่ชีเป็นอะไรไปก็ทำความเสื่อมเสียแก่พุทธบริษัทด้วย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 ทำไมในวินัยจึงให้ฐานะภิกษุณีไม่เต็มที่ในสังคมถามในคารุ ธ, ธรรม8ดที่มีอยู่สองข้อที่คนไม่อยากเชื่อคือภิกษุณีผู้บวชมานานกว่าภิกษุมีอาวุโสกว่าแต่ต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวชเพียงวันเดียวและภิกษุณีแม้จะอาวุโสอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ตักเตือนภิกษุแม้จะทำผิด ตอบก็อย่างที่บอกไว้แต่ต้นว่าเวลาพิจารณาเรื่องจะต้องนึกถึง 1. เรื่องการบรรลุธรรมที่เป็นเรื่องสภาวะ 2. เรื่องทางสังคมซึ่งเป็นสมมุติแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของคณะสงฆ์และต่อการบำเพ็ญศาสนากิจของพระพุทธเจ้าด้วย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 พระพุทธเจ้าทรงปรารพเรื่องอน ญ, ญาตเดรถีเพราะถ้าไปทำเข้าก็เหมือนกับยอมให้พุทธศาสนาถูกเข้าดึงลงไปกดไว้ในพระวินัยจะเห็นว่าพวกเดรถีคอยหาแง่ที่จะกดและขม่มจะว่าร้ายพระพุทธศาสนาอยู่แม้แต่ถ้าพระพิสุให้ของขบชันด้วยมือแก่นักบวชอาเจลกะคือพวกชีปเปลือยเป็นต้น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 นึกมุ่งไปที่การบรรลุธรรมเป็นสำคัญตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะให้พิจารณาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าถ้ามองในแง่สังคมถึงขออนุญาตอย่างไรก็ไม่ให้แต่เมื่อมองในแง่การบรรลุจึงทรงอนุญาตหนึ่งเป็นการเตือนสตรีทั้งหลายให้รู้ว่าสภาพสังคมมันเป็นอย่างนี้ เราจะต้องตระหนักไว้และสองคำนึงถึงคุณค่าของการบวชที่ได้มาด้วยความยากลำบากว่ามุ่งที่การบรรลุธรรมแล้วก็อย่าไปคิดมากในเรื่องอื่นๆที่เป็นแง่ของการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างนั้นแล้วก็ส่งมอบครุธรรมมาเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมยุคนั้น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 การบัญญัตินี้เป็นการบัญญัตในชั้นหลังโดยผ่านผู้ชายหรือพิสษุเองในสมัยลังกาท่านเจ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรตอบก็คงจะหาทางพูดเอานั่นเองซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรตามประวัติเท่าที่มีหลักฐานตอนแรกพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตแต่เมื่อขอในแง่ของการบรรลุธรรมก็อนุญาตถึงอย่างนั้น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 คือชีวิตที่บำเพ็ญสมณธรรมแบบผู้ชายนี้ทำได้ยากภิกษุจะบุกเดียวบุกป่าฟาดงถึงไหนถึงกันแต่พิกษุณีไปไม่ได้แม้แต่เพียงพิกษุณีอยู่ลำพังรูปเดียวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอีกแล้วจึงต้องมีบัญญัติเช่นว่าภิกูุณีจะประพฤติมานัดตามปกติการประพฤติมานัดอยู่กรรมก็ต้องอยู่รูปเดียว แต่สำหรับภิกษุณีต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุณีสงฆ์ตั้งภิกษุณีรูปอื่นมาเป็นเพื่อนให้อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นในแง่ชีวิตพรมจรรย์ที่ว่าต้องพร้อมที่จะอยู่ป่าอยู่เขาคนเดียวจะจาริกไปได้ทุกหนทุกแห่งในแง่นี้ภาวะเพศหญิงก็ไม่เหมาะเท่าเพศชายและกลายเป็นปัญหาหนัก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 ก็มีวินัยบัญญัติว่าภิกษุจะว่ากราวให้อวาดภิกษุนีต้องได้รับการแต่งตั้งจากสงภิกษุนีสงนั้นเกิดขึ้นทีหลังเป็นของใหม่ก็ให้ปฏิบัติไปตามวินัยของพิกษุเพราะบัญญัติไว้แล้วแต่เมื่อพิกษุนีมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาก็ส่งบัญญัติศิกขาบทใหม่เป็นข้อๆเพิ่มเข้าไปตอนแรก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 ภิกษุณีก็ยังไม่รู้ธรรมเนียมวิธีปฏิบตัติก็ต้องให้ภิกษุสอนให้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพคะ40่ภิกษุณีพระอรหันตจบบริบูแล้วค่ะดิฉันเพนสีอินทรทัตผู้จัดทำรายการ ขอกราบขอพระคุณคุณสุดที่รักสุขธรรมจากสถาบันบลลอธรรมที่ได้กรุณาคัดสรรหนังสือดีๆส่งมาให้ตลอดมาทำให้ดิฉันได้มีโอกาสนำมาอออากาศเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของคุณสุดที่รักสุขธรรมไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ